มีเนื้อหาที่กล่าวในคาถาในชาดกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนพระองค์ปรารถนาอะไรจึงให้ปรองให้เพื่ออายุวันนสุขะาพระหรือจึงอยู่พระราชาผู้ยอดเยี่ยมกว่าชนในแคว้นสีพีเนี่ยนะพระราชทานพระเนรพระองค์พระราชทานให้เพราะเหตุแห่งประโลกหรืออย่างไร ให้เพื่ออะไรในโลกนี้ให้เพื่อตัวเองจะได้อายุยืนขึ้นผิวงามขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้รับกำลังมากขึ้นใช่ไหมทั้งๆ ท, ท, ที่พระองค์เป็นใหญ่ที่สุดแล้วในแคว้นนี้หรือพระองค์ต้องการชาติหน้าพระองค์ให้เพื่อชาติหน้าหรือไรระโพธิ์ก็ตอบว่าเราไม่ได้ให้ดวงตานี้พระหวังยศนะนะหวังยศหวังขนนับถือ ไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาลูกไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาทรัพย์ไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาแว่นแควนและแผ่นดินแต่ว่าการให้เนี่ยนะเป็นธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายการให้นี้เป็นธรรมเก่าแก่ที่บัณฑิตคือพระโพธิสัตว์ในอดีตพากันประพฤติมาแล้วใจของเรายินดีในการให้ด้วยประการชนีที่เราให้เรามีใจยินดีใน พระโพธิยานเราไม่ได้ให้เพื่อปราถนาวัชชาน่าจะได้เป็นพระอินทร์อะไรหรอกบทว่ายาสาความว่าเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่เพราะเหตุแห่งความเป็นเป็นใหญ่ในว่าไม่ว่าจะเป็นใหญ่ในเทวดาหรือใหญ่ในหมู่มนุษย์เราไม่ได้ให้เพราะเหตุแห่งสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าการให้เนี่ยนะเป็นพุทธกากะธรรมเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้า ของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในอดีต ท, ท่านให้ให้ทานอย่างนี้ท่านสะสมอย่างนี้ท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นใจของเราเนี่ยนะยินดีเช่นนี้เป็นนิตในการให้ทานเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอ่างนั้นพระองค์ก็เรียก เ, เรียกว่าอธิบายเหตุผลให้อามาตย์ฟังแล้วนะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็อธิบายแล้วนะเรียกหมอมาว่าหมอ ดูก่อนสิวิกะว่างานนสหผู้สหายว่างนันท่านจงลุกขึ้นอย่าชักช้าอย่าขั้นครามจงควักดวงตาทั้งสองของเราให้แก่วนิพกหมอสิวิกะนั้นเราเตือนแล้วก็เชื่อฟังคำของเราได้ควักดวงตาทั้งสองดุดจาวตานให้แก่ผู้ขอทันทีอธิบายว่ามาทันทยิอย่าชักช้านะสหายท่านจงทากิจของเราการให้ดวงตาของเรานี่อย่าช้านะ เพราะขณะของการให้ทานแบบนี้หาได้ยากอย่างยิ่งเราปรารถนามานานแล้วบัดนี้นะขณะอันนี้เราก็ได้แล้วท่านอย่าปล่อยขณะแห่งการให้ทานครั้งนี้อย่าพลาดไปก็คือถือว่าโอกาสอันนี้ไม่ใช่โอกาสง่ายนะที่จะได้เป็นพระราชามาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วให้ดวงตาเป็นทานได้ไม่ใช่โอกาสแต่แบบนี้แต่คิดนะก็ได้ว่าบางคนก็บอกหยให้ได้ยังไงควักตาแล้ให้ได้ยัง ไ, ไ, ไงไ แต่ว่าไปทําอะไรแล้วตาบอดเนี่ยนะอันนี้ทําได้ใช่ไหมไปเล่นพลิกเล่นเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ตาบอดเนี่ยทำได้แต่ว่าให้ดวงตาเป็นฐานทําไม่ได้เขียนวะ่าทําเงินหายได้แต่ว่าให้ฐานไม่ได้เานะ <S <S ขาบอกว่าตายได้แต่บวชไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือมีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาหาเหตุผลจนต้องเจริญกุศลอย่างก็ว่าถ้าเราไม่ให้ดวงตาเป็นฐานแล้วตาเราจะอยู่คู่กับเราตลอดไปใช่ไหม เหมือนการท่านสามารถคิดที่จะให้ได้ขณะแห่งการให้โอกาสแห่งการให้่าได้พลาดไปเลยเพราะฉะนั้นหมออย่าไปหนักใจ่างนั้นอย่าไปวันไว้หวาดสสดุ้งว่าเราควักดวงตาของพระราชาของเราแล้วท่านอย่าปั่นปวนในร่างกายนในท้องอย่าร้องเป็นต้นเพราะฉะนั้นหมอช่วยควักดวงตาให้แกเร า, เานะควักดวงตาให้แกเราเราจะได้บริจาคแกวันนี้พก หมอนั้นเนี่ยนะก็เป็นหมอพิเศษไม่ได้ควักดวงตาโดยใช้สาตราเพราะเขาคิดว่าหมอผู้ชำนาญเช่นเราไม่ควรจะใช้มีดผ่าตัดในพระเนตรของปราชาก็เลยบทเพศั์เอาผงยาผสมเกสรดอกบัวแล้วก็โรยพระเนตรเบื้องขวาพระเนตรก็กลับกลอกไปมาเกิดทุกขเวทนาหมอก็ผสมยาโรยอีกดวงดวงพระเนตรก็พ้นจากเบาเกิดทุกขเวทนารุนแรงรยิ่งกว่าเกา่า แม้ครั้งที่สามหมอก็ผสมเพสั์ให้แรงกว่าเก่าแลว้วก็โรยลงไปพระเนตรของพระโพธิสัตว์ก็หลุดจากเบ้าด้วยกำลังแห่งยาห้อยหยุดห้อยห้อยหลุดลงมาเหมือนตาปูเนี่ยนะสายเอ็นก็เกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงเลือดก็ชุ่มเลือดก็ไหลอาบสนมกำนันก็ร้องให้ไปหมดนะนะอมาัดก็หมอบลงแทบพ่ะบาดของพระราชาร้องให้ขร่มขรว่า ค่าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าพระราชทานดวงพระเนตรทั้งสองเลยอย่าพระหน้าอย่าพระราชทานดวงพระเนตรทั้งสองเลยเนี่ยนะแต่ควักดวงตาให้เป็นทานอย่างเนี้ยแม้ช่วยกันห้ามก็บอกถ้าบอกว่าตาของพระองค์นะถ้าไม่ควักออกพระองค์จะตายภายในสาวันอย่างเงี้นะโอ๊ยรีบควักออกไปเลยอย่างเงี้นะก็จริงก็ไอ้ควักทิ้งเหมือนเดิมเนี่แต่บางคนเนี่ยควักได้แล้วได้บุญแต่อีกบางคนเนี่ยควักแล้วก็เสื่อมจากบุญเนี่ยนะเพราะ อย่างหลายๆแห่งเนี่ยนะถูกทิ่มตาเช่นไปแอบดูบางแห่งเนี่ยถูกทิ่มตาอย่างนั้นทําได้เลยแต่ว่าควักดวงตาให้เป็นทานทําไม่ได้เด็กบางคนมันเล่นไก่ชนสักไก่จิกตาแตกหมดะนะขนาดนั้นยอมได้แต่จะให้ดวงตาเป็นทานทําไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าพระราชาก็อดกลั้นทุกขเวทนาเหล่านั้นตรัสว่าอย่าชักช้าเลยพอคุณนะนะีหมอก็ทูลรับสนองแล้วก็ยึดพระเนตรอันนะ มือเบื้องซ้ายถือพระเนตรจับศาสตราด้วยมือเบื้องขวาตัดสายพระเนตรแล้วก็หยิบพระเนตรวางไว้บนพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรข้างขวาด้วยพระเนตรข้างซ้ายควักตาขวาให้ก่อนสเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงแล้วก็ขมปีติอ่าเรียกว่าขมทุกขเวทนาด้วยปีติเพราะมีใจน้อมไปในในการให้ทานพระองค์ก็รับสั่งเรียกพรามณ์ว่าท่านพราหมณ์จงมาเถิด องก็ตรัสว่าสมันตะจกักษุคือสัพพัญยุตยานเป็นที่รักกว่าดวงตานี้เนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าการให้ดวงตาของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งสมันตะจกักษุคือพระสัพพัญยุตยานเถิดน่เรารักสัพพัญยุตยานยิ่งกว่าดวงตาอีกเนี่ยนะองก็เลยพระราชทานดวงพระเนตรนั้นแก่พราหมณ์พราหมก็หยิบพระเนตรนั้นใส่ที่ในตาของตน พระเนตรนั้นก็ปรากฏดุจด อ, อกอุบลเย้มบานด้วยอนุภาพของพรามแปลงเนี่ยนะคือพรามเนี่ยพรามที่เป็นพระอินเนี่ยต้องการให้พระโพธิสัตว์ได้ปีติปรามโมทย์จากการให้ก็เลยเอามาวางแล้วก็มองเห็นนะฮะนะแสดงให้เห็นเหมือนดูได้จริงเลยอะ่ะพระโพธิสัตว์เห็นในตาของพรามด้วยพระเนตรข้างซ้ายมีพระวรกายทราบสร้างไปด้วยปีติขึ้นภายในลำดับว่าโอ้เราได้ให้ดวงตานี่ให้ดีแล้ว โอ้ยรำว่าอะไรนะสุธินังนัยเนตนะก็คือนยะนยะอะนานนัยนะก็คือตาใช่ไหมโอ้ยเป็นการให้อย่างดีนนะโอกาสที่จะให้แบบนี้ไปหาที่ไหนก็พระราชทานดวงเนตไปอีกครั้งหนึ่งท้าวสกา ก, ก็กระทำอย่างเดิมท้าวสกา ก, ก็กลับไปกลับไปเทวโลกไม่ช้านักพระเนตของพระราชายังไม่ถึงเป็นหลุม นะก็คือมีก้อนเนื้อขึ้นมาก้อนนะเป็นก้อนเนี่ยมาคลุกคลีแล้วก็หนังตานี่ก็ปิดเอาไว้เหมือนกับปิดด้วยผ้ากำพลอ่ะนะงอกขึ้นดุดรูปวิจิต ก, ก็งดงามาไม่กี่วันก็ทุกความทุกข์ก็หายไปเนี่ยนะเพราะว่าได้หมอดีนะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่นั่งอยู่ในปร า, าสาทสองสามวันก็คิดว่าคนตาบอดจะครองราชสมบัติไปทำไม เราจาักมอบราชสมบัติให้แก่อามาตย์ทั้งหลายแล้วก็ไปอุทยานบวชบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็เล่าเนื้อความเหล่านั้นให้แก่อามาตย์อมาตย์ก็พระองค์ก็ตรัสว่าราชบุตรคนหนึ่งทำหน้าที่ละนะถวายน้ำล้างหน้าเป็นต้นจงอยู่กับเราในที่สรีรกิจเข้าห้องน้ำเป็นต้นก็ผูกเชือกเอาไว้ให้แก่เราพระองค์ก็ขึ้นเสลียงนะก็เสด็จไป พระองค์ก็ไปประทับอยูย่ใกล้สะฟังสะบบกกรณีอัมมาทั้งหลายก็ถวายบังคมกลับเนี่ยนะก็คือสร้างที่อยู่สมควรแก่พระราชาพระโพธิสัตว์ก็รำลึกถึงทานของพระองค์เนี่ยนะก็ผู้ที่ยินดีในการให้ทานเมื่อให้เสร็จไปนั่งอยู่ที่เงี ย, งยบๆก็ตามระลึกนึกถึงทางที่ให้เ ป, เป็นเป็นทานที่ให้เพื่อพระสัพพัญยุตยานเป็นการเจริญจาขานุสติเนี่ยนะเป็นการเจริญกรรมฐาน แลลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ได้ทำไปด้วยบุญอ น, นันตเนี่ยนะอาสนะของเท้าสากาก็ร้อนพระองค์ก็ดำริว่าเราจะให้พรแก่พระราชาทำพระเนตรให้เป็นปกติอย่างเดิมเท้าสกกาก็เสด็จไปใกล้พระโพธิสัตว์ให้ได้ยินทำเสียงให้ได้ยินด้วยพระบาทพระโพธิสัตว์ก็ถามว่า ท่านเป็นใครท้าวส ก, กะก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นท้าวสกาะจอมเทพมหาท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นราชฤาษีท่านจงเลือกพรที่ท่านปรารถนาเถิดพระโพธิสัตว์ตอบว่าข้าข้าแต่ท้าวสกากทรัพย์ข้าพเจ้ามีมากพอแล้วทั้งพลทหารทั้งท้องพระคลังก็มีไม่น้อยบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าตาบอดชอบอย่างเดียวคือความตาย ตาบอดแล้วไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไมหมายเง น, นท้าวสก่าก็ตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านสิวิราชท่านประสงค์จะตายเพราะท่านอยากจะตายหรือว่าท่านเพราะตาบอดอยากตายด้วยเหตุผลใดหมายเง น, นพระโพธิสัตว์ตอบว่าที่อยากตายก็เพราะตาบอดนี่แหละท้าวสก่าก็ตรัสว่าข้าแต่มหาราช ขึ้นชื่อว่าการให้ทานไม่ใช่ว่าจะให้ผลในชาติหน้าอย่างเดียวเท่านั้นการให้ทานยังเป็นปัจจัยเพื่อผลในปัจจุบันด้วยนะการให้ทานไม่ใช่ว่าจะมีผลเมีอ่อา น, นิสง์เฉพาะชาติหน้าผลแห่งการให้ทานแม้ชาตินี้ผลแห่งการให้ก็ยังมีผลเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงทําสัตยาธิฏฐานคือตั้งสัจจะอธิษฐานอาศัยบุญอันะแห่งการให้ทานของพระองค์เธอ ด้วยกำลังแห่งการอธิษฐานนั่นแหละดวงตาของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมพระโพธิสัตว์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นมหาทานที่เราได้ให้เนี่ยก็เป็นการให้ดีแล้วพระองค์ก็เลยตั้งสัจจะทธิฐานว่าวันนี้พกคนขอทั้งหลายเหล่าทั้งหลายตระกูลมาเพื่อจะขอกับเราบรรดาวันนี้พกที่มาเหล่านั้นผู้ใดขอกับเราผู้นั้นก็เป็นที่รักของเรา ใครขอคนนั้นรักอ่ะนะใครขอเราเรารักคนนั้นด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาของเราจงเกิดขึ้นอย่างเดิมเถิดปกตินี้ใครมาขอนะคนนั้นเป็นที่รังเกียจเป็นที่เกลียดชังรเรียกว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอแต่พระโพธิสัตว์ตรงกันข้ามผู้มาผู้ใดมาเพื่อจะขอเราผู้ใดออกปากว่าขอพระองค์จงพระราชทานสิ่งนี้เถิดดังนี้ผู้นั้นเป็นที่รักของเรา อันนี้หายากนะใครที่มีความคิดแบบนี้ทำได้อย่างนี้คิดอย่างนี้นี่หายากมากหากว่าผู้ขอแม้ทั้งหมดเป็นที่รักของเราด้วยคำที่เรากล่าวนั้นนะเป็นความจริงด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาข้างที่หนึ่งจงเกิดขึ้นเหมือนอย่างเดิมเถิดเก่าพร้อมกับสัจจะสัจจวาจาของพระโพธิสัตว์ดวงตาก็เกิดขึ้น ทีนี้เพื่อจะให้ดวงตาข้างที่สองเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสสัจจะอธิฐานต่อไปว่าพรามนั้นมาเพื่อขอกราว่าขอท่านจงให้ดวงตาเถิดเราได้ให้ดวงตาทั้งสองนั้นแก่พรามผู้ขอปีติเป็นล้นพ้นได้ถึงแล้วแก่เราเกิดความโสมนัสไม่น้อยนะคือความโสมนัสได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาดวงที่สองจงเกิดขึ้นแก่เราเถอ ดีใจมากที่เขามาขอเพราะฉะนั้นด้วยด้วยผลอันนี้ขอให้ดวงตาเกิดขึ้นอธิบายว่าปีติล้นพนได้เกิดขึ้นแก่เราผู้ให้ดวงตาแก่พรามไม่คำนึงถึงทุกขเวทนาเห็นป่านนั้นแม้ในเวลาตาบอดก็พี่เจรนาอยู่ว่าโอ้ทานที่เราได้ให้เนี่ยเป็นการให้ดีแล้วสุธินังวัตเมทานังทานที่เราได้ให้เนี่ยเป็นการให้ดีแล้วเนาะเหมงนน ก็เก <Ger> ิดความปีติโสมนัตหาประมาณไม่ได้ดีใจมากเลยหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอฟังพอได้ข่าวว่าตัวเองจะได้ให้เนี่ยดีใจมากนะแถวที่ฟังโยมหลายคนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นจริงๆโอยดีใจมากที่จะได้ให้บางันเขามีความสุขที่ได้ให้เขาจะเสียใจมากที่เขาไม่ได้ให้เขาเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆมีความสุขที่จะได้ให้ ดวงตาทั้งสองของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิด อ, อะไรนะไม่ใช่จักขุทิพคือไม่ใช่ตาทิพนะเพราะหลายคนที่จะได้ตาทิพเนี่ยถ้าตาเก่าบอดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีตาทิพได้แต่ดวงตาที่เกิดเกิดเนี่ยด้วยอํานาจของปีติซาบซ่านอาศัยปีติในทานหรือว่าเป็นดวงตาที่เกิดจากสัจจะอธิษฐานที่ไม่วิปริตเนี่ยนะฟันด้วย ตาดวงตาคู่นี้ที่เกิดแก่พระโพธิสัตว์เรียกว่าสัจจะปรมิตาจักสุเป็นจักสุที่อาศัยสัจจะบารมีพันสัจจะบารมีเนี่ยอธิษฐานให้ดวงตาเกิดขึ้นดังที่พระองค์ตรัสไปว่าเมื่อเราจะให้ก็ดีเมื่อเรากำลังให้ก็ดีเมื่อเราให้เสร็จแล้วก็ดีจิตของเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเพราะเหตุแห่งโพธิญาณ ยากนะคนที่ทําบุญให้ทานตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานก็ตามบางคนเนี่ยก่อนจะให้ใจก็แป้วเลยนะเมื่อให้ใจก็หงดหงิดให้เสร็จแล้วก็ราคาญเป็นต้นบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือบางคนเนี่ยก่อนจะให้ดีใจกําลังให้ก็ง้อยเงาให้เสร็จแล้วก็ดีใจบางคนเนี่ยไอกําลังให้ดีใจให้เสร็จแล้วแหมไม่น่าให้เลยอย่างเง้ยนะบางคนนี่ก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้น ก่อนจะให้ก็โส ม, มนักิกำลังให้ก็ดีใจให้เสร็จแล้วก็บันเทิงใจไม่ได้เป็นอย่างอื่นดีใจแต่ที่ทําอย่างนี้ได้ก็เพราะเหตุแห่งโภธิญานบทว่าจิตตสอัญถาคือเมื่อเราให้ดวงตาเป็นทานแล้วเนี่ยใจของเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยเพราะเรามีอัธยาศัยในการให้บทว่าโภธิยาเยวะกรณา เพราะเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นเองคือจักรสุทานนั่นเป็นเหตุแห่งสัพพัญยุตยานถ้าไม่ให้อย่างนี้เนี่ยนะสัพพัญยูจะเกิดขึ้นได้หรือเราได้ทําในสิ่งที่ทําได้ยากอย่างนี้ก็เพราะพระสัพพัญยุตยานเนี่ยหาได้ยากพระสัพพุธพระสัพพัญยุตยานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่หาได้ยากพระองค์จึงตรัสว่าดวงตาของเราเนี่ยจะไม่เป็นที่รักก็าหาไม่ได้ถึงอัตภาพของเรา จะไม่เป็นท sure ี่รักของเราก็หาไม่ได้ตาทั้งสองของเราไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเราเลยร่างกายของเราเราก็ไม่ได้รังเกียจเราไม่ได้โกรธร่างกายของเราเลยร่างกายไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเบื่ออยอยากตายอยากตายเต็มทีแล้ววันนั้นให้ตาไปก่อนให้อะไรไปก่อนบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะอยากตายก่อนจะตายก็เลยให้ซะหน่อยเนี่ยนะแล้วก็ตัวเองก็จะได้ตายบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ชีวิตก็ เ, เป็นที่รักของพระองค์ดวงตาก็เป็นที่รักของพระองค์ทุกอย่างเป็นที่รักไม่ได้รังเกียจไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธสรีระร่างกายไม่ได้โกรธชีวิตไม่ได้อะไรเลยทุกอย่างเป็นที่รักเป็นที่ธนุถนอมห่วงแหนไปหมดแต่ก็ตัดใจเพื่อที่จะให้ได้เพราะสัพพัญยุตยานเนี่ยนะท่านรักสัพพัญยุตยานมากนะรักมรรคผลนิพพานรักสัพพัญยุตยานที่เป็นเหตุให้เปลื้องโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ให้พ้นจากทุกได้ เออไม่น่าเชื่อว่ามีคนรักผู้อื่นอะไรนะปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แล้วก็โอยทุ่มเททุกอย่างก็บอกว่าด้วยด้วยกรุณาของพระองค์เนี่ยทำให้ไม่สงสารตัวเองนะสงสารสัตว์อื่นเพราะการุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์อื่นเนี่ยนะเบียดเบียนพระองค์เนี่ยให้พระองค์เดือดร้อนช่วยเหลือผู้อื่นแต่การกระทําเหล่านั้นก็ไม่ไร้ผลพระองค์ก็ช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ขณะเดียวกันก็ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัตรทุกข์ได้ หลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะตั้งสัจจะอธิฐานดวงตาเกิดขึ้นแล้วเท้าสัก ก, กะก็ทำอนุภาพแสดงสั ก, กานุภาพเนี่ยนะอนุภาพของเท้าสักกะให้ประชุมชนมาประชุมกันเท้าสักกะก็ประทับยืนท่ามกลางมหาชนยืนบนอากาศนะสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้ยังชาว c ีพีให้เจริญคาถาทั้งหลายท่านกล่าวโดยธรรม ดวงตาทั้งสองของพระองค์นี้ปรากฏเป็นของทิพย์การเห็นโดยรอบร้อยโยศเห็นอย่างน้อยเลยพันหกรกิโลเมตรโดยรอบเนี่ยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ว่าจะนอกฝานอกหินนอกภูเขาจงสําเร็จแก่ท่านเถิดเรียกว่าเห็นในรัศมีหนึ่งพันกว่ากิโลเนี่ยนะท่านมองเห็นได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวามองเห็นได้หมดเลยแม้พระโพธิสัตว์ก็แวดล้อมด้วยมหาชนเข้าสู่พระนคร ด้วยสักการะอันใหญ่เมื่อตระเตรียมประตูพระราชมณีเรียบร้อยแล้วประทับนั่งเหนือราชบลังภายใต้สเสวตชัตรที่เขายกขึ้นไว้ณมหาบนดกเมื่อจะแสดงธรรมแก่ชาวพระคนครชาวชนบทและราชบริษัทผู้ยินดีร่าเริงบันเทิงด้วยการได้พระเนตรคืนมาเพื่อจะเห็นพระองค์ก็ตรัสว่าใครหนอในโลกนี้ เขาขอแล้วไม่ให้สมบัติอันประเสริฐบ้างให้สมบัติอันเป็นที่รักของตนบ้างเชิญชาวแว่นแคว้นทั้งหลายจงดูเถิดดวงตาอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นแกเราในวันนี้แกเรียกว่าผู้ให้ของรักก็ย่อมได้ของรักเป็นต้นเนี่ยนะท่านดูสิถ้าเราไม่ให้เนี่ยนะเราจะได้มีตาขนาดนี้หรือเนี่ยนะการเห็นโดยรอบร้อยยศนอกฟ้า น, นอกหินภูเขาจงสาเร็จแกท่าน อะไรอะไรในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะยิ่งไปกว่าการบริจาคไม่มีกล่าวว่าผลแห่งเห็นผลแห่งการให้อนะอะไรที่จะมีอ น, นิสงแห่งการให้เราให้จักสุขอันเป็นของมนุษย์แล้วก็ได้จากสุขอันเป็นของทิพย์ดูก่อนชาวซีพีทั้งหลายพวกท่านเห็นทิพยจากสุขนี้แล้วจงให้ทานแล้วก็จงบริโภคเถิดอันหนึ่งพวกท่านครั้นให้ทานแล้วบริโภคแล้ว ตามอนุภาพของตนเนี่ยนะจะไม่ถูกนินทาท่านทั้งหลายจงไปสู่ฐานนะอันเป็นแดนสวรรค์เถิดเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ได้ให้ทานผู้ที่ไม่ประมาทในการให้การให้อันนี้แหละเป็นเหตุแห่งสุขติ <c oughs> ก็ผู้ที่เขาบอกว่าการให้ทานเนี่ยนะหรือการทำบุญเนี่ยคนที่ทำเนี่ยนะก็ยังเห็นว่าการให้เป็นสิ่งเลวร้ายตราบเท่าที่ผลแห่งการให้ยังไม่เกิด แต่เมื่อใดผลแห่งการให้เกิดขึ้นก็ดีใจกันเนี่ยนะทำบุญอะไรกันมานาะจึงได้ดิบได้ดีขนาดนี้แต่ตอนที่ให้น้อยคนนักที่จะดีใจพระองค์จึงบอกว่าการให้เสมอด้วยการรบเนี่ยนะการให้เสมอด้วยการรบแม้แต่จิตคิดจะให้อย่างยากที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะประมาทไม่มีการสมาทานเพื่อที่จะให้ไม่มีการตั้งใจที่จะให้ คถาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพระโพธิสัตว์กล่าวทุกๆุกวันสิบห้าคำทุกๆุกสิบห้าวันพระองค์ก็แสดงธรรมอย่างนี้ทุกสิบห้าวันมหาชนได้ฟังคําอันนั้นแล้วก็ให้ทานเป็นอย่างมากอนนะัเห็นผลแห่งการให้เห็นพระอินทเห็นอะไรเป็นต้นก็เลยน้อมไปเพื่อการให้หมอครั้งนั้นก็คือพระอนุนในครั้งนี้เท้าสักกะก็คือพระอนุรุทธะนะพุทธบริษัท ก็บริษัทในยุคนั้นก็คือพุทธบริษัทพระเจ้าศรีวิราชก็คือพระพุทธเจ้ามาดูคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นที่พระองค์บำเพ็ญจนได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเช่นว่าทุกๆวันวัตถุอันเป็นทายธรรมภายนอกที่พระองค์ไม่เคยพระราชทานเนี่ยไม่มีฉันใดคือพระองค์เนี่ยพระราชทานบริจาคมหาทรัพย์นับจานวนไม่ถ้วน ถึงอย่างนั้นก็ไม่ยินดีในทานนั้นคอไอ้คำว่าไม่ยินดีเนี่ยแปลว่าไม่อิ่มอกอิ่มใจอ่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ปรารถนาจะให้นะอยากจะให้ยินดีที่จะให้แต่การให้เหล่านั้นยังไม่เป็นที่อิ่มอกอิ่มใจเหนนะพระองค์ก็ดำริขึ้นว่าทำอย่างไรเนอะเราจะพึงบริจาคทานอันเป็นวัตถุในภายในคือคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่บ่อยและต่อเนื่อง ก็เห็นว่ามหากุศลของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆอ่ะนะมหากุศลเหล่านั้นเนี่ยลังหลเ้เป็นเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะสัดนิรันตระนะนิรันดรนอ่คือสืบเนื่องในการให้เพราะใจเนี่ยน้อมไปเพื่อจากการให้ยังคิดต่อไปเมื่อไหรน่นอจะมีใครๆมาหาเราแล้วขอทัยธรรมอันเป็นวัตถุภายใน หากมีผู้ขออะไรจะมาขอเนื้อดวงใจของเนื้อหัตไทยของเราเราก็จะนำเนื้อหัตถไทยอันนั้นด้วยหอกแล้วนำเนื้อหัไทยอันนั้นที่มีหยาดเลือดไหลเหมือนกับอะไรเหมือนกับยกดอกบัวพร้อมด้วยก้านขึ้นจากน้ำใสแล้วก็จักให้ฉะนั้นบางคนเนี่ยให้แบบนี้นะน้อมไปเพื่อจะให้คิดจะให้ยังไม่กล้าจะคิดแต่ถ้าไปเกิดเป็นหมูเป็นไก่ให้คลักหัวใจเล่นเนี่ยเอา แต่เกิดเป็นเต่าให้เขาควักหัวใจเอามาวิจัยเล่นๆเนี่ยได้แต่ว่าเนี่ยนะเขบอกว่าบางกลุ่มที่จะวิจัยเนี่ยนะวิจัยหัวใจนี่เขาเอาหัวใจเต่ามาวิจัยเขาบอกงั้นแต่ถ้าเกิดไปชาติเป็นเต่าแล้วนะให้เขาเอาควักหัวใจมาผ่าเล่นๆอันนี้ได้ยอมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นให้ควักดวงใจมาเชื้อเชิญเล่นเนี่ยยอมแต่ว่าไอ้จิตที่น้อมไปเพื่อจะทําบุญเนี่ยไม่ยอม ดันดวงใจที่ตะนีตะนีนั่นแหละก็มาเกิดเป็นเต่าให้เขาควักผ่าหัวใจเล่นๆมาเัินผ่าก็เล่นจริงๆนะบางทีก็ตายฟรีก็มีส่วนใหญ่ก็ตายฟรีทั้งนั้นอยู่แล้วเพราะเต่าได้รางวัลอะไรไหมไม่ได้ก็ตายฟรีอยู่แล้วหละเชื่อตายด้วยโทรศัพ์ควักหัวใจกว่าจะตายเนี่ยจะเป็นไหน้เนี่ยนะก็ว่าพวกควักคร่าววิจัยก็ผ่าหัวใจเต่านี่แหละเป็นเครื่องวิจัยฉะนั้นก็โอ้ยนาสงสารเต่าเนาะ สงสารคนผ่ามากกว่เต่าเต่ารับกรรมเต่าไอ้คนผ่านี่สิจะถูกพาย ก, กี่พบกี่ชาติเนาะเนี่ยนะพันว่า ง, า ง, างชาติอื่นๆเขาว่างเขาควักหัวใจออกมาเล่นดูบุญก็ไม่ได้เจ็บตั้งหากเองเนละบางคนเนี่ยถูกผา่อกผาอกผ่าท้องเนี่ถูกผา่าประจำแต่ไอ้จิตจะให้ก็ไม่มีนะพอผา่ารักษาหายมา ร, ร้องรำทำเพลงขี้เล่าเมายาต่อไปอีกอ น, นะชีวิตของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะก็นะเลยเฝ้าอยู่ในกองทุกข์จมอยู่แต่ในกองทุกข์เนี่ยนะ มันพระโพธิสัตว์เนี่ยคิดว่าจะทํายังไงจะได้โอกาสที่จะให้เมื่อให้แล้วจะได้ยกตนให้พ้นทุกข์แล้วก็จะช่วยยกผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใดพึงขอเนื้อหัวใจเราก็จะให้หากผู้ใดพึงขอเนื้อในร่างกายเราก็จะเชื้อเนื้อในร่างกายให้ดุดอะไรดุดกรีดเยื่อน้ำอ้อยงบของต้นตาลแล้วก็ขูดออกก็เรียกว่าพาให้เป็นเป็นก้อนเป็นก้อนให้ได้ แต่เชื่อไหมถ้าไปเกิดเป็นปลาปลาญี่ปุ่นเนี่ยให้เขาเชือดเล่นนะนะเชือดมากินทีละหยดทีละหยดบางานะบางทีเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคือบางคนเนี่ยแต่ก็บอกว่าโอ้ยให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไปเกิดเป็นปลาเป็นสัตว์อื่นๆให้เขาเชือดเป็นๆ เ, เอาไปกินเนี่ยไดนะ้ก็คิดดูนะว่าวิปริตขนาดไหนแสดงว่าพวกที่พวกไม่ฉลาดเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าถ้าเรายังเกิดอยู่เราไม่ถูกแกล่งเนื้อออกไปหรือถ้ายังอยู่ในวตัตตะยังไงก็ถูกเชือดถูก เถอะถูกแล่ออกไปเรื่อยๆนะนางมาคันธิยาใช่ไหมพ่อโกรธพระพุทธเจ้าเลยเชือดเนื้อตัวเองถูกเชือดเนื้อตัวเองแล้วทอดให้ตัวเองกินนะนะบุญก็ไม่ได้ตกนรกอกตางหากนนะแต่ว่าทำได้ใช่ั้ยแต่ว่าจะทำบุญเนี่ยไม่ได้ แปลกนะว่ามูสัตว์ทําไมเขาไม่สามารถคิดน้อมไปเพื่อที่จะเจริญกุศลไม่น้อมไปเพื่อจะทําบุญแต่ขณะเดียวกันน้อมไปเพื่อจะทําแต่บาปน้อมไปเพื่อที่จะทําอกุศลน้อมไปเพื่อจะแล่เพื่อที่จะเถือเอาเนื้อของสัตว์อื่นไม่รู้กว่าตัวเองเนี่จะถูกแล่ ถ, ถูกเถือวันไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นี่เขบอกว่าหากคนอื่นพึงขอเลือดกระเราเอาดาบแทง หรือสอดเข้าไปในปากแห่งสรีระของเราแล้วนําเอาภาชนะเข้าไปรองจนเต็มเราก็จะให้เลือดเนี่ยนะบางคนประสบอุบัติเหตุถูกอะไรทิ่มแทงเลือดเสียได้แต่ว่าไปบริจาคเลือดให้กาชาติทําไม่ได้เนี่ยนะตะหนีเลือดมากถ้ไปพาอย่างอื่นทําได้หมดนะจะเสียเลือดเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่จะไปบริจาคเลือดทำไม่ได้ตนีเลือดมากเอาไว้ให้อะไรมันทิ่มๆแล้วก็ไล่ออกทิ้งเปล่าๆอันนี้ทําไดนะ้แต่ว่าทําบุญเนี่ยไม่ได้เ อ, อทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคน อันหนึ่งหากใครๆเพิ่งกล่าวว่าในเรือนของเราเนี่ยนะในการงานไม่ค่อยเรียบร้อยท่านจงรับใช้เราที่เรือนนั้นเถอะเราก็จะเปลื้องเครื่องเครื่องทรงของพระราชามอบตนให้แก่เขาแล้วไปเป็นคนรับใช้ของเขาถ้าหากว่าใครๆจะพึงขอในตาของเราเราก็จะควักในตาดุดนํำจาวตาลออกฉะนั้นให้แก่เขาคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นผู้ถึงความชํานาญอัน ที่เรียกว่าคนอื่นทำไม่ได้เขาบอกว่าใจของคนอื่นได้ฟังอย่างใจไม่ปกติเลยนะทำใจไม่ได้นะแต่ว่าท่านทำได้อย่างโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้าคิดอย่างงี้แค่คิดปั๊บใจนี่แป้วเลยนะเครียดเลยนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีความสุขที่จะให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จิตคิดจะให้น้อมไปเพื่อแต่จะให้มีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้เพื่อโพธิญาณเนะ จริงๆอะนะชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะเขบอกว่าฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่าอะไรเพื่อตัวเองได้เป็นยศเป็นใหญ่เป็นอะไรยังทาได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำเพื่อสร้างบุญบารมีนี้ทําไม่ได้เออมันแปลกนะสละเพื่อทำบุญไม่ได้แต่ว่าสละเพื่อเพื่ออย่างอื่นเนี่ยทาได้หมดเลยนะพระพิทธตว์นี้บอกว่า เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยชํานาญในการให้ที่ที่เรียกว่าคนอื่นไม่ใช่จะคิดได้เหมือนท่านก็เนื่องจากว่าท่านสะสมใจที่จะน้อมเพื่อการให้ขนาดว่าคนมาขอเนี่ยนะเมื่อคนมาขอท่านท่านยังเศร้าใจเลยนะทำไมเมื่อก่อนเราไม่คิดจะให้นะเสียใจที่ไม่เคยคิดมาให้มาก่อนทําไมใช้ชีวิตประมาทอยู่ขนาดนี้ท่านไม่สบายใจเลยที่เมื่อก่อนท่านประมาทเพราะท่านมีอัธยาศัยแบบนั้น การได้ของผู้ขอจากสุมแม้เมื่ออา ม, มาตและเหล่าบริษัททุนคัดค้านพระองค์ก็ไม่เชื่อฟังขอคําของคนเหล่านั้นเมื่อมีผู้มาขอพระองค์ก็สเสวยปีติ น, นะอย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติตามความคิดของท่านเมื่อท่านคิดจะให้ท่านก็ได้ให้จริงๆตอนหลังท่านตั้งสัตจจะอธิษฐานต่อนหน้าของเท้าสั ก, กะ อาศัยการปฏิบัตินั้นเป็นความจริงแท้แน่นอนท่านการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเล่นๆ เ, เป็นการปฏิบัติถึงขนาดตั้งสัจจะอธิษฐานได้เพราะอะไรเพราะพระองค์มีใจที่เอิบอิ่งไปด้วยปีติและปราโมทปราปลื้มในบุญกุศลที่โปร่งได้กระทาลงไปพระองค์ไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจไม่ได้อะไรยอาวนเสียดายเลยนะเพราะพระองค์มีปีติโสมนัสในบุญกุศลที่ได้เจริญไปอันนี้เป็น เป็นบุญของพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างเนี่ยนะตั้งปฏิบัติแล้วการทำบุญของพระองค์ก็เป็นการทำบุญเพื่อการทำบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากอุปนิสัยเขาเรียกว่าบุญของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นวิเศษภารายิน้อมเพื่อให้บุญเนี่ยเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งอัธยาศัยนะจากการให้ทานก็เพื่อจะได้ การให้เพื่อการให้การให้เล็กน้อยก็เพื่อการให้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปการให้ด้วยกุศลจิตเล็กน้อยก็ให้กุศลจิตพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปให้คุณธรรมเนี่ยสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งการให้เพื่อการให้รักษาศีลเพื่อการรักษาศีลเป็นต้นเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะอันของเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วที่มีอย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟังได้เลื่อมใสหลายคนก็บอกว่า ทำตามไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ได้บอกให้ไปทําตามแต่บอกว่าเรียนเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อให้มีใจปีติปราโมทว่าพระพุทธเจ้าทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเราเรานี่แหละเราจะได้ศึกษาศึกษาตามปฏิบัติตามไม่คัดค้านคําของพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรามากแล้วเนี่ยนะที่ได้ตั้งตกตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามให้เจริญงอกงามเพราะว่าพระองค์ที่ทําทั้งหมดก็พระองค์ทําเพื่อความอ่า ตรั ส, สรู้เมื่อพระองค์ตรั ส, สรู้แล้วจะได้ช่วยให้เราตรั ส, สรู้แต่ไม่ได้บอกให้เราไปทําตามนะนะบางคนนี่ก็เรียกอะไรนะชอบเดินไปตามรอยตามเท้าท่านไปหมดท่านก็บอกว่าอะไรนะเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ทั้งหลายทูเป็นชาวนากว่าจะทํานาปลูกข้าวกว่าจะได้ข้าวมาหุงข้าวเป็นข้าวสุกลูกเอ้ยมากินข้าวนะบอกแม่ผมไม่กินโรคผมอยากรู้จริงๆว่าแม่เนี่ยทานาอย่างไรนะนะแม่พาผมไปทํานาก่อนสิ แม่ทํายังไงหวานตรงไหนอะไรที่ไหนกว่าจะได้เพราะว่าโอแล้วแม่ที่ทําให้เพื่อประโยชน์อะไรเราเราทั้งหลายบางทีเนี่ยนะก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจไม่ถูกก็เหมือนกับว่าทําทุกอย่างเนี่ยนะว่าพระ อ, องค์ทําทุกอย่างเพื่อเราเราก็กลับไปคิดอะไรก็ไม่รู้ไปคิดในสิ่งที่มันยากๆคิดในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้มีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลหลายคนเนี่ยมีเหตุผลจนไม่ต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยนะ เหตุมีเหตุผลบอกไอ้คนรังเรามันฉลาดน้อยเราไม่มีปัญญาหรือจะต้องไปเรียนอันโน้นเรียนอันนี้จะได้เข้าใจยิ่งๆ่งขึ้นไปโอ้ยหาเหตุผลจนไม่ต้องเรียนเหมือนกันแตสรุปหาเหตุผลจนไม่ได้เรียนเพราะมันยากเกินไปมันยากทางใจหรือว่าเนื้อหามันยากจริงๆเนื้อหามันก็ภาษามนุษย์อยู่แล้วนะที่เรียนรู้ได้เข้าใจได้ฟังก็เข้าใจทันทีแต่ว่าหาเหตุผลจนมันยากยากๆก็กกๆ เ, เลยมันยากทางใจอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นจิตใจตกยาก แล้วก็ตกยากอย่างใจคิดจริงๆอ่ะนะเพราะอะไรเพราะความคิดมันตกยากอยู่แล้วมูสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่น้อยเขาเป็นแบบนั้นขอเราทั้งหลายอย่าได้เป็นคนยากทางจิตวิญญาณขนาดนั้นหรืออย่าได้อานาถาทางจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณที่เจริญไปด้วยศรัทธาเอาจิตกับวิญญาณต่างกันไมนะ้มล่ะขอให้ใจของเราเจริญด้วยศรัทธาแหมถ้าใช้คําว่าจิตวิญญาณเหมือนหนักไปใช่ไหมจะบอกว่าขอให้ใจเจริญด้วยศรัทธา อ, อันเดียวกันนั่นแหละเนี่ยนะขอให้เจริญด้วยศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนําออกจากวัตทุกข์นะพระเวสสันดรเนี่ยคงเอาไว้วันหลังอนะเนาะไว้พรุ่งนี้ดีกว่าถ้าต่อวันนี้ก็ไม่ต้องจบแล้วนอนห้าทุ่มไม่ต้องไปไหนแล้วนะนอนอยู่นี่พรุ่งนี้ฟังต่อเงนี้นะแต่เจริพรวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะอนุมโมทนาด้วยนะเจรญพรนะให้เจริญงอก ง, งามในภาษศาสนาของภาษาสดาศึกษาพระธรรมเพื่อความดับทุกข์